คู่มือมนุษย์เรื่องการทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติแผนภูมิประกอบคำบรรยายครั้งที่เจ็ดปีติและปราโมทความอิ่มใจในธรรมะปัสสัตธิความระงับสมาธิจิตสงบยะถาภูตยานทัศนะรู้ความเป็นจริงต่อโลก นิพพทาความเบื่อหน่ายวิราคะความคลายออกวิมุตติความหลุดออกวิสุทธิความบริสุทธิ์ไม่เศร้าหมองสันติความสงบเย็นนิพพานภาวะที่ปราศจากความทุกข์บทกลอนการพึ่งผู้อื่น อันพึ่งท่านพึ่งได้แต่บางสิ่งเช่นพึ่งพิงผ่านเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพึ่งแรงคนใช้จนควายวัวใช่จะพ้นพึ่งตัวไปเมื่อไรต้องทำดีจึงเกิดมีที่ให้พึ่งไม่มีดีนิดหนึ่งพึ่งเขาชนไหนทำดีไปพึ่งตัว ของตัวไปแล้วจะได้ที่พึ่งซึ่งถาวรพึ่งผู้อื่นพึ่งได้แต่ภายนอกท่านเพียงแต่กล่าวบอกหรือพร่ำสอนต้องทำจริงเพียรจริงทุกสิ่งตอนนี้จึงถอนตัวได้ไม่ตกจมจะตกจน หรือว่าจะตกนรกตนต้องยกตนเองให้เหมาะสมตนไม่ยกให้เขายกนั้นพกลมจะตกลมตายเปล่าไม่เข้าการในบทนี้จะบอกให้ทราบต่อไปว่าสมาธิอาจจะมีได้โดยทางธรรมชาติอย่างหนึ่ง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 ก็มีเล่าถึงแต่เรื่องการบรรลุมรรคผลทุกชั้นตามวิธีธรรมชาติในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเองหรือต่อหน้าท่านที่สั่งสอนคนอื่นๆโดยไม่ได้ไปสู่ป่านั่งทำความเพียรอย่างมีพิธีรีตองกำหนดเพ่งอะไรต่างๆตามอย่างในคำพีที่แต่งกันใหม่ในชั้นหลังๆโดยเฉพาะกรณีแห่งการบรรลุอรหัตผลของภิกษุ ป, ปัญจวัคคี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 จิตก็เป็นสมาธิบังคับให้แน่วแน่ขึ้นมาเองในเวลาเลงนี่แหละเป็นลักษณะของสมาธิที่เป็นไปเองตามธรรมชาติซึ่งตามปกติถูกมองข้ามไปซะเพราะมีลักษณะดูมันไม่ค่อยจะขลังจะศักดิ์สิทธิ์ไม่ค่อยจะเป็นปาฏิหาริย์เป็นที่น่าอัศจรรย์แต่โดยที่แท้แล้วคนเรารอดตัวมาได้เป็นส่วนใหญ่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 หรือต่อขันห้าลำดับแรกได้แก่ปีติและปราโมทหมายถึงความชุ่มชื่นใจหรือความอิ่มเอมใจในทางธรรมะการที่เราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแม้การให้ทานซึ่งถือกันว่าเป็นบุญชั้นต้นๆก็เป็นการทำให้เกิดปีติปราโมทได้ถ้าเป็นถึงขั้นศีล คือมีความประพฤติทางกายวาจาไม่ด่างพร้อยจนถึงกับเคารพนับถือตัวเองได้ปีติปราโมชก็มากขึ้นถ้าหากไปถึงขั้นสมาธิจะเห็นได้ว่าในองค์ของสมาธิอันดับแรกที่เรียกว่าปฐมฌานนั้นก็มีปีติอยู่องค์หนึ่งด้วยโดยไม่ต้องสงสัยปีติปราโมชนี้มีอำนาจอยู่ในตัวมันเองอย่างหนึ่ง ซึ่งจะทำให้เกิดความระงับหรือปัดสัทธิตามปกติจิตของคนเราไม่ค่อยจะระงับเพราะว่าจิตตกเป็นาธาตุของความคิดความนึกจากสิ่งยั่วยวนภายนอกหรือจากความรู้สึกในอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาเป็นความฟุ้งอยู่ภายในไม่เป็นความสงบแต่ถ้าหากมีปีติปราโมทในทางธรรมะมาประจำใจอยู่และมากพอสมควรแล้ว ความสงบระ ง, งับนั้นจะต้องมีขึ้นจะมีมากหรือน้อยตามอำนาจของปีติปราโมทที่มีมากหรือน้อยเมื่อมีความระ ง, งับแล้วก็ย่อมเกิดอาการที่เรียกว่าสมาธิคือใจสงบนิ่งและอยู่ในสภาพที่คล่องสะดวกเบาสบายพร้อมที่จะไหวไปตามความต้องการโดยเฉพาะก็เพื่อตัดกิเลสไม่ใช่ทำจิตใจให้นิ่งเงียบ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 ครบถ้วนพร้อมที่จะรู้แจ้งจนเกิดความรู้ตามที่เป็นจริงต่อโลกทั้งหมดหรือเรียกว่ายะถาภูตยานัทสนะโดยอาการตามธรรมชาติทำนองเดียว ก, กันกับผู้รู้แจ้งขณะที่นั่งฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมหรือนำไปคิดพิจารณาในที่เหมาะสมจนรู้แจ้งไม่มีพิธีรีตองหรือปฏิหารอันเป็นเรื่องความเห็นผิดเป็นชอบ หรือหลงไหลต่างๆแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะเกิดการเห็นแจ้งอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นพระอระหันต์ไปทันทีก็หาไม่ได้ในบางกรณีอาจจะเกิดความรู้ขั้นต้นๆก็ได้แล้วแต่กำลังของสมาธิอีกเหมือนกันในบางกรณีอาจจะไม่เกิดเป็นความรู้ความเห็นตรงตามที่เป็นจริงก็ได้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 ความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิจึงไม่มีทางเสียหายเลยย่อมจะได้ประโยชน์เสมอโดยแน่นอนคำว่ายะถาภูตยานัศสนะในที่นี้หมายถึงการรู้การเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงคือเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเอา